การอุทิศตนทัศนะของอาตมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการแต่งงานมีดังนี้เมื่อคนคู่หนึ่งเริ่มคบหากันเขาก็มีความเกี่ยวพันกันเท่านั้นเมื่อเขามั่นหมายกันเขาก็ยังคงเพียงแค่เกี่ยวพันกันอยู่เพาว่าอาจจะลึกซึ้งขึ้น แต่เมื่อเขาได้ประกาศการแต่งงานของเขาต่อสาธารณชนนั่นแหละเป็นการอุทิศตนต่อกันสาระสำคัญของพิธีแต่งงานคือการอุทิศตนต่อกันในระหว่างการประกอบพิธีนั้นเพื่อย้ำความหมายของความแตกต่างระหว่างความเกี่ยวพันกับการอุทิศตนต่อกัน ให้กู่แต่งงานจดจำได้ไปตล graduation. อดช um. ีวิตอาตมาจึงเปรียบเทียบกับความแตกต่างระหว่างเบคอนกับไข่เมื่อถึงจุดนี้บรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงเริ่มตั้งใจฟังพวกเขาเริ่มสงสัยเบคอนกับไข่จะมาเกี่ยวอะไรกับการแต่งงานนะอาตมาจึงดําเนินเรื่องต่อไป สำหรับเบคอนกับไข่ไก่เพียงแค่เกี่ยวพันกับไข่เท่านั้นส่วนหมูนะ่ะถึงกับต้องอุทิศชีวิตไปเลยทีเดียวขอให้การแต่งงานนี้เป็นการแต่งงานแบบหมูเถิด